ลบหลู่เจ้าที่เชอดีผีนิป่าที่เพชรบุรีสัมผัสสยองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นตอนไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมา คุณนัดและเพื่อนๆอีกประมาณ1ิบกว่าคนได้ไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีพวกเราไปถึงเวลาประมาณสิบโมงวันนั้นเป็นวันธรรมดาที่พักในสถานที่ท่องเที่ยวจึงไม่เปิดให้คนเข้าพักคุณนัดและเพื่อนๆจึงต้องขับรถวนหาที่พักกันเองที่พักบางที่บางแห่งก็ไม่รับ และให้เหตุผลว่าคนเยอะเกินไปส่วนบางที่ก็รับแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นพวกเขาจึงได้ขับรถวนหาที่พักลึกเข้าไปเรื่อยๆจนไปเจอบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้สักทั้งหลังมีสองชั้นส่วนด้านหลังจะเป็นอ่างเก็บน้ําทุกคนเห็นบ้านหลังนี้ก็รู้สึกถูกใจกันมาก จึงได้เข้าไปต่อรองราคากันทางเจ้าของบ้านได้คิดคืนละแป00ันคุณนัดจึงขอต่อราคาเช่าจนเหลือคืนละหกพ0เจ้าของบ้านก็ยอมตกลงแต่มีข้อแม้ว่าเวลาที่จะทำอะไรก็ขอเจ้าทีด้วยนะอย่าทำอะไรพี่เลนพี่เลนเพราะแถวนี้ยังอยู่ในเขตป่า แล้วพี่เขาก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ถ้ามีอะไรก็โทรมาเพราะพี่เขาไม่ได้พักอยู่แถวนี้จากนั้นเจ้าของบ้านก็ให้แผนที่มาแผ่นหนึ่งและบอกว่าเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาให้ออกไปทางที่พี่เขียนไว้ในแผ่นนี้อย่าออกไปทางที่เข้ามาเดี๋ยวจะหลงพ้าเจ้าของบ้านกลับออกไปคุณนัดและเพื่อน จึงเดินสำรวจทั่วบ้านมันเป็นบ้านที่สวยงามมากเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างยังใหม่เอี่ยมจากนั้นเพื่นอนๆได้ชวนกันไปตกปลาที่อ่างด้านหลังส่วนคุณนัทก็เดินดูรอบๆ บ, บริเวณของบ้านก็พบว่าที่นี่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าและเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่อยู่ลึกที่สุดเพราะตกเย็น ทุกคนจึงเริ่มก่อกองไฟแล้วปลาที่ตกได้มาทำกินกันกลางดึกของที่นี่จึงเงียบสงัดมากและไม่มีไฟทางจึงทำให้ที่นี่มืดทุกทิศทางมีแค่แสงสว่างจากกองไฟและแสงไฟจากดวงไฟภายในบ้านที่ลอดออกมาทางหน้าต่างเท่านั้นจนเวลาประมาณสองทุมก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า เราขอเจ้าที่กันไว้ยังรุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มก็ตอบว่าขอทำไมปานนี้เจ้าที่ไม่มาแล้วนี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วด้วยกินกันหมดแล้วจะให้เหล้าก็เสียดายหลังจากที่รุ่นพี่พูดจบทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรยังคงนั่งดื่มกันไปเรื่อยเวลาล่วงเลยมาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆทุกคน จึงมาคุยกันว่าพรุ่งนี้จะไปหาเช่าที่พักหลังใหม่เพราะที่นี่มันแพงเกินไปหลังจากที่ตกลงกันเสร็จแล้วเพื่อนบางคนก็ขึ้นไปนอนบนบ้านจนเวลาเกือบเกือบตีหนึ่งคุณนัทรู้สึกง่วงนอนจึงคิดว่าจะขึ้นไปนอนบนบ้านพอคุณนัทก้าวเท้าเข้ามาในบ้านอยู่ๆความรู้สึกอึดอัด หนักอึ้งก็พุดขึ้นมาทั้งทั้งที่ตอนเช้ายังรู้สึกว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่มากเธอจึงพยายามมองไปรอบๆตัวบ้านเพื่อหาสาเหตุเพราะมันอาจจะเป็นเพราะไฟในบ้านที่เป็นสีสม้มจึงทำให้ความรู้สึกอึดอัดทึบๆคุณนัดได้ยืนพิจารณาทุกอย่างรอบๆตัวอยู่กลางบ้านส่วนเพื่อนคนอื่น ก็ได้ทยอยกลับเข้ามาในบ้านแล้วเพราะว่าด้านนอกเหมือนฝนจะตกคุณนัดก็แปลกใจเพราะตอนที่นั่งอยู่ด้านนอกไม่รู้สึกถึงการตั้งเขาของฝนเลยเธอจึงเดินไปเปิดหน้าต่างดูก็พบว่าลมด้านนอกค่อนข้างแรงแล้วอยู่ๆไฟก็ดับพลึบลงในทันที จึงทำให้ทุกอย่างรอบตัวดำมืดและเงียบสนิทความรู้สึกอึดอัดยิงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพวกเราได้ยินแต่เสียงหน้าต่างสัน่นเพราะแรงลม รุ่นพี่ในกลุ่มจึงโทรไปหาเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านกลับตอบมาว่ามันเป็นเรื่องปกติของแถวนั้นเดี๋ยวไฟก็มาในขณะที่พวกเรายังไม่ทันได้วางสายก็มีเสียงดังบนหลังคาทุกคนตกใจยืนนิ่งเงียบและพยายามหาคำตอบว่ามันคือเสียงของอะไร ไม่ถึงสองนาทีก็เกิดเสียงขึ้นอีกลักษณะของเสียงคล้ายๆอะไรสักอย่างที่ตัวใหญ่ๆกระโดดอยู่บนหลังคาเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวเดินไปหยิบไฟฉายในรถมาให้แล้วเธอก็เดินเปิดประตูออกจากบ้านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้ยินเสียงเพื่อนคนที่เดินออกไปนอกบ้าน วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าไปเอากันเองเอถอะข้าไม่ไปแล้วคุณนัทถามกลับไปว่าทำไมแต่เพื่อนก็ตอบว่าอยู่บนรถสามคนตาแดงกร่ัเลยคุณนัทจึงเดินไปเปิดผ้าม่านแล้วพยายามเพ่งมองไปที่รถแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆคิดว่าเพื่อนคงจะเมา จึงได้เปิดประตูบ้านออกไปจังหวะนั้นเองคุณนัทก็เหลือบมองไปที่รถเห็นเป็นผู้ชายตัวดำๆนั่งยองๆอยู่บนหลังคารถสามคนแล้วจ้องมาที่คุณนัทคุณนัทยืนช็อกตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจึงรีบปิดประตูและพูดว่าเออจริงได้ว่าเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเอาแล้วไง ลูกเองไปทำอะไรมากันแน่ตอนนั้นคนที่อยู่ชั้นล่างมีทั้งหมดห้าคนนอกกนั้นขึ้นไปนอนที่ชั้นบนกันหมดแล้วคนที่เหลือจึงตกลงกันว่าให้โทรไปปรึกษาเจ้าของบ้านก่อนแต่พยายามโทรเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดทุกคนจึงได้แต่ยืนเงียบกันอยู่ในความมืดมีแต่เสียงลมพัดต้นไม้ด้านนอกดังหวีดหวิว และเสียงหน้ะต่างที่สันไหวอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งพึงนึกขึ้นได้ว่าได้เก็บพ้าไว้ในกระเป๋าจึงได้รีบไปค้นหาพระแล้วหยิบออกมาก็ปรากฏว่าอ ย, ยู่ๆไฟก็ติดขึ้นมาทันทีทุกคนรู้สึกใจชื้นกันขึ้นมาบ้างเขาจึงแดวพ้าไปแขวนไว้ที่ประตู แล้วทุกคนก็รีบขึ้นไปนอนขณะที่คุณนัทกำลังรู้สึกเคริ้มจะหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นพอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงแล้วลักษณะของเสียงเหมือนคนเอาอะไรสักอย่างมาขูดรับรอบบ้านสลับกับเสียงทุบหน้าต่าง คุณนัทพยายามนอนนิ่งฟังเสียงและเธอก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนั้นด้วยหรือเปล่าเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงมาจากชั้นล่างคุณนัทคิดว่ามันต้องเป็นเสียงของประตูหน้าบ้านดีดเปิดออกมาเองแน่ ความกลัวแผ่ซ่านไปยังทุกส่วนของร่างกายเธอนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มและพยายามข่มตานอนให้หลับแต่หูกระแววได้ยินเหมือนเสียงคนเดินลากเท้าอยู่ชั้นล่างคุณนัทพยายามเหลือบตา ม, มองไปทางบันไดเพราะกลัวว่าสิ่งที่อยู่ชั้นล่างนั้นจะเดินขึ้นมาลากเท้าเล่นอยู่ชั้นบนแต่สิ่งนั้น ก็ยังเดินวนไปวนมาอยู่แต่ชั้นล่างเหมือนว่าจะขึ้นมาชั้นบนไม่ได้เพราะมีพลาคแขวนอยู่ความรู้สึกอึดอัดยังคงท่วมท้นอยู่ภายในตัวของคุณนัดเธอได้แต่นอนขดตัวสั่นคลุ้มปงจนเผลอหลับไปเพราะเช้าขุงวันต่อมาก็พบว่าประตูหน้าบ้านเปิดออกเองจริงๆสักพัก เจ้าของบ้านก็ขับรถเข้ามาคุณนัดจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ้าของบ้านฟังเจ้าของบ้านก็ได้ถามว่าด้วยจุดทูกไหวหรือเปล่าคุณนัดจึงบอกว่าไม่ได้ไหวแล้วเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาลสนามของคอมมิวนิสต์ที่ถูกระเบิดทั้งคนเจ็บและหมอตายกันเยอะมาก จึงไม่แปลกที่จะมีสิ่งลี้ลับอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากหลังจากนั้นเจ้าของบ้านจึงให้พวกคุณนัดขับรถไปตามทางขึ้นเขาอีกประมาณสองกิโลเมตรซึ่งตรงนั้นจะมีศาลเล็กๆตั้งอยู่ให้ทุกคนไปไหว้ขอขมาที่นั่นซึ่งคุณนัดได้มารู้ทีหลังว่ามีเพื่อนบางคนปัสสาวะลงข้างๆอ่างเก็บน้ำ และทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วทุกคนก็พากันขับรถไปยังศาลเมื่อไปถึงก็เห็นเป็นศ า, าลไม้เล็กๆพวกเขาจึงได้เข้าไปไหว้ขอขมาพอขอขมาเสร็จแล้วก็กลับมาช่วยเจ้าของบ้านเก็บกวาดขยะก่อนที่คุณนัดและเพื่อนๆจะกลับเจ้าของบ้านก็แนะนามาว่าถ้าพวกน้องกลับถึงกรุงเทพแล้วให้ไปทาบุญซะ วัดแถวนี้คงไม่รับธรรมเพราะเขารู้ว่าพวกน้องไปกวนเจ้าที่คนแถวนี้เขารู้ดีว่าเจ้าที่ตรงนี้แรงไม่ต้องห่วงหรอกเขาตามพวกน้องอยู่และนี้คือเรื่องราวทั้งหมด จมหายสยอง